ก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าจะพูดในสิ่งที่โยมรู้ได้ด้วยถึงว่าเราพูดอะไรโยมต้องเห็นได้แล้วไปด้วยกันจะพูดถึงสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีนะเออก็ต้องยกตัวอย่างแหละไม่อย่างนั้นมันก็มันคลุมเครือไปแล้วอะไรเรมีแล้วอะไรเราไม่มียกตัวอย่างเลยตอนนี้ทุกคนจะรู้ตรงกันว่ามีตัวเรานั่งอยู่เห็นได้เนาะ อันนี้เราต้องเรียกใช่ภาขาสมมติก่อนต้องเป็นตัวเราก่อนตัวเรานั่งอยู่เนี่ยรู้ได้ว่ามีอยู่ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีตัวตอนนี้นั่งอยู่อ่ะอทีนี้เมื่อนั่งแล้วเนี่ยหได้ยินเสียงการได้ยินเสียงก็มีอยู่จริงอันนี้เขาเรียกว่ารู้ในสิ่งที่มีหรือจะยกภาพตัวอย่างในร่างกายก็ได้โดยรวมๆในร่างกายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวขยับ ยอมลองโยกตัวก็ได้ก็<า>จะรู้ว่าการขยับมีถูกนะยมยมขยับด้วยนะลนูนะเนี่ยรู้ได้เนี่ยว่าขยับมีเขาเรียกว่าการขยับมีอยู่แล้วยมลองหยุดอพอหยุดปั๊บเนี่ย<ม>ก็รู้ได้ว่าการขยับหยุดแล้วเราเรียกว่ารู้ในสิ่งที่มีอะไรมีการขยับมีการหยุดมีอ่าแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเยอะแยะเป็นหมด ก็พูดแล้วก็วนๆนะนะความเจ็บความปวดความเมื่อยเนาะมันมีตอนไหนถ้ามีสติมันก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยแล้วแต่ถ้าไม่มีสติถึงมีก็ไม่รู้ว่ามีทีนี้เอาความเจ็บความปวดความเมื่อยมีแล้วเวลาความเจ็บความปวดความเมื่อยมันหายไปแล้วถามว่ามีอะไรก็คือมีความไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยอ่ะก็รู้ได้อีกว่าก็มีสิ่งนั้นอยู่แล้วในใจก็เหมือนกัน ในใจความรู้สึกความรู้สึกสบายเมื่อมันมีความสบายก็รู้อยู่ว่ามันมีเมื่อความสบายหายไปก็มีอยู่แล้วนะพวกเราประสบ ก, การณ์สบายบ้างไม่สบายบ้างพอความสบายใจหายไปก็รู้ว่าความสบายใจหายไปแล้วก็เหลือแต่ความความปกติก็ได้หรืออาจจะเป็นความสบายใจก็ได้ก็รู้อีกว่าสิ่งมม น, นั้นมี เพราะนั้นเนี่ยธรรมะก็คือถ้าพูดกันง่ายๆนะก็คือมาเรียนรู้สิ่งที่มีกับสิ่งพอรู้สิ่งที่มีเสร็จแล้วก็ต่อมาก็จะเห็นสิ่งที่มีเนี่ยมันหายไปมันดับไปเห็นไหมเห็นการเกิดขึ้นบ้างเห็นการเสื่อมไปบ้างที่เราตรวสถิติประฐานรตรวจพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเข้าใจหลักตรงเนี้ยมันยากตรงไหนถูกไหมไม่ยากนะก็ก็รู้จักกันเป็นอยู่แล้วเนี่ยว่าอันไหนมี อันไหนก็ไม่อันไหนไม่มีก็รู้จักกันอยู่แล้วเออกายมีอยู่ก็รู้มีแต everyone, flats, pues scheint, nope. sí, mm. <ah> ่กายหายกายหายนี like ่ก็คือตอนลืมตัวแหละแล้วพอนึกขึ้นได้ว่าเอ้าเมื่อกี้กายหายไปก็รู้ได้อีกว่าเอาเมื่อกี้มันลืมตัวคือร่างกายหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันจะรู้ได้ว่ามีหรือไม่มีต่อต่อเมื่อก็คือรู้สึกตัวคือตื่นขึ้นตื่นจากการหลงจึงรู้ว่ามีหรือไม่มี อันนี้พูดถึงสิ่งที่มีเนาะเข้าใจได้มั้ยหนูหนูเข้าใจได้ไหมลูกนี่หน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายกันมากเลยะผมก็หยอก <laughs> okay. อันนี้สิ่งที่มีนะอ่ะทีนี้เขาพูดในสิ่งที่มีกับสิ่งที่มีแล้วหายไปก่อนว่าตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเดิมมันไม่มีแล้วมันมีถูกไหมพอมีแล้วเปลี่ยนไป เปลี่ไปก็คือไม่เที่ยงและดับไปก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นนะตรงนี้อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เลย mm. เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปง่ายๆเลยแล้วเพียงแค่ใช้ปัญญาจากการฟังตรงเนี้ย ภ, ภ, ภาคภาคการฟังตอนนี้รู้ว่าทั้งสิ่งที่มีทั้งสิ่งที่มีแล้วดับไปล้วนแต่ยึดถือไม่ได้ว่ามันเป็นเราว่ามันเป็นของเรา mm. เคขียวไหมตรงนี้อ่าทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะอะไรเกิดขึ้นก็ตามที่รับรู้ได้นะ่ะมันมีแล้วแล้วก็ต่อมา สิ่งนี้จะต้องหายไปคือหมดไปก็คือเป็นความดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เขาเรียกว่าสังขารหรือว่าจะเรียกสังขารก็ได้ทุกขังก็ได้อนาตตาก็ได้ได้หมดแต่หัวใจสําคัญก็คือว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อย่าได้หลงยึดว่ามันเป็นเราอีกแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นเราอีกแล้วมันมีได้มันดับได้แต่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราอีกแล้วร่างกายนี้ไม่ยึดถือว่าเป็นเราอีกแล้วถูกไหม ความเจ็บความปวดความเมื่อยไม่ยึดถือว่าเป็นเราอีกแล้วความสบายใจความไม่สบายใจความทุกข์ความเบื่อความเซ็งทุกชนิดที่รู้ได้ไม่หลงไปยึดถือว่าเป็นเราอีกแล้วอันนี้ส่วนของความมีเนาะทีนี้ความไม่มีใครจะพูดก่อนไหมว่าความไม่มีมันคืออะไรตามภาษาที่เข้าใจใครพูดก็ได้อายุยงก็ได้อยู่กันมาอันนี้ที่พูดมาเป็นความมีมีแล้วดับไปรู้จักแล้ว แล้วความไม่มีลองเป็นคํานิยามสักตามที่เข้าใจก็ได้ว่าแล้วความไม่มีคืออะไรเล่ะ <c oughs> เอ อ, เ อ, อลองลองดูมาพูดกันนอะไรคือความไม่มีมา <c oughs> เปิดแล้วเออความไม่มีก็คือความว่าง อ, อคือเออจะว่าไปบางทีมันก็ไม่ใช่ว่างแต่มันก็เป็นเ อ, อความรู้สึกว่ามันไม่มี คือรู้ได้ว่ามันไม่มีรู้ได้ว่ามันไม่มีมันอาจจะจะมีแต่ในความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่มีเอาเป็นสิ่งสมมุติเอาเป็นว่าเมื่อกี้ชัดนะคำนั้นเอาเป็นว่ารู้ได้นะว่ามันไม่มีเมื่อกี้โย่พูดเองเนาะรู้ได้ว่ามันไม่มีอืทีนี้เราก็จะขยายความแล้วกันความไม่มีเนี่ยมันจะตรงตรงกันข้ามกับความมีถูกไหมความมีคือมีการปรากฏขึ้น มันเหมือนกับว่าเป็นมิตเป็นเครื่องหมายเป็นวัตถุเป็นอะไรก็ตามคือคือมันสัมผัสรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก็อย่างที่ยกตัวอย่างใช่ไหมกายมีอยู่ก็รู้ได้นี่ว่ากายเป็นวัตถุเออมันรู้ได้ว่ากายมีอยู่แล้วก็พอกายเจ็บกายปวดกายเมื่อยก็รู้ได้อีกว่าเออเจ็บปวดเมื่อยแล้วมันก็มีอาการเนาะมีอาการก็รู้ได้ว่าเออสิ่งนี้มีแล้วก็พอมันดับไปก็รู้ได้ว่าสิ่งที่มีดับไปมันก็รู้ได้อีกเพราะฉะนั้นที่เหลือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจที่คนไม่รู้จักก็คือ สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีไม่มีวันที่จะหาพบมันได้เหตุผลก็คือเพราะมันไม่มีเห็นไหมแต่ถามว่ารู้ได้ไหมว่ามันไม่มีรู้ได้อ่าเห็นไหมเรารู้ว่าไม่มีแต่บางทีมันก็มีมันมีอยู่ไม่มีไงมันมีอันนี้เยอะเอานะความไม่มี จะตรงข้ามกับความมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาความไม่มีเนี่ยหาพบไหมไม่เจอไม่เจอไม่เจอเจออะไรลราก็เพราะมันไม่มีจะเจอโอเคเข้าใจตรงกันนะเอความไม่มีเนี่ยก็คือหาไม่พบแต่รู้ได้รู้ได้อยู่แล้วว่ามันไม่มีไม่งั้นแล้วจะออกมาพูดกันทําไมอ่ะแสดงว่าความไม่มีเนี่ยถึงมันไม่มีแต่ก็รู้ได้ว่ามันไม่มีอ่าถือว่า ทีนี้ภาษาธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองเห็นไหมที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีแล้วในระหว่างโลกทั้งสองเป็นยังไงคือคือมันเป็นคําอย่างนี้เอารู้จักโลกโลกนี้ก่อนนะเออลกโลกนี้เอ า, เอาสมมติโลกนี้นะเอาเป็นเข้าใจโลกนี้กับโลกที่เกิดมาก็ได้เอาสมมตินะไอไอโลกนี้ที่มีก็เป็นโลกที่มีใช่ไหม เพราะว่าความไม่มีเขาบอกว่าไม่มีในโลกนี้แสดงว่าโลกเนี้ยโลกนี้มันมีแต่ในโลกเนี้ยไม่มีสิ่งนั้นก็กลายเป็นว่าในโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าโลกหน้าสมมุติว่าไม่รู้อลไรมันอยู่ข้างหน้ามันมีโลกอีกโลกมันเพิ่งตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกหน้าสมมุตินะแต่โลกหน้าก็ยังไม่มีไม่มีสิ่งสิ่งนั้นอีกอยู่ดีแล้วในระหว่างโลกข้งสองก็คือช่องว่างช่องว่างอ่ะขนาดเป็นช่องว่างเลยนะ ขณะไม่ใช่โลกนี้ขณะไม่ใช่โลกหน้าซึ่งมันไม่ได้เป็นโลกใช่ไหมก็ยังไม่มีสิ่งนั้นเลยอะสุดยอดไหมล่ะเพราะนั้นความไม่มีคือไม่มีวันจะหามันเจอคือจริงๆอ่ะถ้าธรรมะมันนั่นเลยทีคือมันจะมีช่องว่างเออช่องว่างก็ยังยังเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ดีอีกเออแปลกๆไหมบางคนนึกว่าช่องว่างเป็นสิ่งที่มีใช่ไหมไอ้สิ่งที่มีก็คือมีช่องว่างไงแต่ไอ้ที่เราพูดความไม่มีคือคือมันไม่ใช่ช่องว่างอีก ตกลงมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ระหว่างโลกทั้งสองก็ยังไม่ใช่อีกอแล้วโยองจะไปหาที่ไหนแบบว่าไปก่อนใยมไม่เข้าใจนะยองเข้าใจนะไอที่ช่องว่างหนึ่งสองระหว่างความว่างหนึ่งกับสองมันมีเอแต่มีแค่ช่องล่างเขาเรียกว่าอากาศก็ได้สมมติมแต่เอาเป็นว่า ไอสิ่งที่เราไม่มีที่เรากําลังพูดถึงหมายความว่าแม้กระทั่งระหว่างโลกอ่ะก็ยังไม่มีสิ่งที่เราพูดถึงเลยนะเอาเป็นว่าความไม่มีเนี่ยมันมีมันมีอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเ่องนะตอนแรกบอกว่าไม่มีพอพูดไปพูดมาบอกว่าอ๋อความไม่มีมันก็มีแล้วถ้าถามต่อแล้วมีอะไรก็มีความไม่มีเออก็เป็นคําตอบแบบนี้เอาเอาเป็นว่าเอา สั้ๆก็คือว่าสิ่งที่มีรู้จักแล้วนะสิ่งที่มีทั้งหลายมีแล้วต้องดับไปแล้วก็อย่าหลงยึดว่ามันเป็นเราอีกแล้วอันที่2คือในธรรมชาตินี่มันมันมีสิ่งที่ไม่มีแต่มมีแล้วนะมีสิ่งที่ไม่มีซึ่งไอสิ่งที่ไม่มีเนี่ยไม่มีวันที่ใครจะตามหาพบได้ถูกไหมเพราะเพราะมันไม่มีจะพบไงใช่ไจะไปพบทางตาก็ไม่ใช่จะไปพบทางหู ที่เป็นก็แสดงว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพสภาพะไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ธรรมอารมณ์ไม่ใช่หมดเพราะฉะนั้นจะไปหาทางหูก็ไม่ได้จะไปหาทางตาเพื่อให้เห็นก็ไม่ได้จะเอาจมูกไปหาดมกลิ่นก็ไม่ใช่เอาลิ้นไปเลียแผลๆก็ไม่ใช่เอากายไปสัมผัสไปงมให้กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ใช่อารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่เพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องหา หยุดการดิ้นรนหยุดการสแสวงหาในสิ่งที่ไม่มีแล้วถามว่าแล้วจะรู้จักมันได้ยังไงอ่ะว่ามันไม่มีเอาอะไรไปรู้ mm hmm. เมื่อกี้ทําไมรู้แล้วว่ามันไม่มีอ่ะมีไงสุดยอดว mm ิช hmm. าจะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าใจก็ได้ mm hmm. ถึงบอกว่าใจนี่มันได้แต่รู้ใจรู้อะไรใจรู้ในสิ่งที่มีก็รู้ได้ถูกไหม mm hmm. ใจรู้ในสิ่งที่ไม่มี ก็รู้ได้ทีนี้เราถามว่าถ้าอย่างนั้นแหละใจอยู่ไหนไใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่หาไม่พบนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นนะใจจริงๆเนี่ยมีมีแต่ชื่อแต่ใจจริงๆเน่ยไม่ได้เป็นสภาวะที่มันมีอยู่เป็นสภาวะที่ไม่มีเพราะฉะนั้นในความไม่มีในจักรวาลเนี่ยในโลกเนี่ยก็คือใจนั่นเองเพราะฉะนั้นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหาใจที่ไหนแต่ใจมีอยู่อุ๊ย ใจมันใจมันมันไม่มีแต่มันรู้อะไรได้ก็ถ้ากิว่าใจมีอยู่ก็แล้วกันแต่มันเป็นความไม่มีเดี๋ยวนลองง่ายอีกฮส่วนฟานโวทีนึงเออเข้าใจดีมากเลยถ้าเข้าใจตรงนี้อ้าวเออตกลงนะสิ่งที่มีมีแล้วดับไปหายไปก็รู้จักแล้วอะไรไปรู้สิ่งนั้นก็คือใจ แล้วต่อมาอะไรที่มันไม่มีแล้วใครไปรู้ก็สิ่งนั้นความไม่มีนั้นก็คือใจไปรู้แต่ใจอดันเป็นความไม่มีเสียเองเพราะมนะันมีสองสิ่งก็นั้นมีสิ่งที่มีระดับไฟกับสิ่งที่ไม่มีก็คือใจม่พูดภาษาให้เข้าใจแล้วพระอาจารย์ไปสารพูดนะคำเตนะ่นเป้งเลยรู้ด้วยใจไม่ใช่รู้เอาคะแนนเพื่อเอาไปตอบคําว่ารู้ด้วยใจนี่แหละจึงเป็นปัญหาว่า ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องใจผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องใจจะทํายังไงให้รู้ว่าใจเป็นยังไงเนี่ยวันเนี้ถึงมาอธิบายเรื่องใจให้ฟังทาไมงั้นกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวยพอรู้จักแหละกายเคลื่อนไหวรู้แต่ไอใจรู้อ่ะเคยเข้าใจอย่างลึกซึ้งไว้ว่าใจที่ว่ารู้อ่ะมันคืออะไรอ่ใจอะใจอคือความไม่มีแต่มันรู้ได้น่ะเมื่อใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีแล้วใจเนี่ย อ้าวเมื่อใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีชี้จะเห็นว่าใจเนี้ยไม่มีการเกิดเพราะมันไม่มีไงชี้จะเห็นว่าใจเนี้ยไม่มีการตั้งอยู่ชี้จะเห็นว่าใจเนี้ยไม่มีการตายไปใจจึงไม่เกิดไม่ตายแต่สิ่งที่เกิดตายก็มีสิ่งที่มีเกิดและตั้งขึ้นเออตั้งอยู่ดับไปส่วนใจเนี้ยไม่เคยเกิดแล้วก็ไม่เคยตาย เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งโลกียะทั้งโลกุตตะมันอยู่ในที่เดียวกันก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นใจมันรู้อยู่แล้วใจก็คือโลกุตตะส่วนไอสิ่งที่ปรุงแต่งได้เป็นหลังฐานก็คือพวกเกิดเกิดตายตายก็คือพวกโลกียะทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลกียะกับโลกุตตะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็อยู่ที่เดียวกันหลมันรู้ด้วยกันแต่เราแยกไม่ถูก ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปดัดแปลงจิตไหมว่าต้องให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตมันดัดแปลงจิตเช่นไปทําให้จิตว่างให้จิตไม่คิดไม่เนึกอ่ะไม่เกี่ยวเพราะอันนี้มันจะคิดก็เป็นสังขารมันจะไม่คิดก็เป็นสังขารถูกไหมเพราะใจทั้งไม่คิดทั้งไม่อยู่คิดใจมีอยู่แล้วใจจึงได้แต่รู้เพราะฉะนั้นเวลาคิดก็ก็รู้ได้เวลาไม่คิดก็ก็ๆๆรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําใจนิ่ง ทำนิ่งทำนิ่งก็เป็นใจนิ่งก็ยังไม่ใช่โรคุดตัะอยู่ดีก็เป็นสังขารอยู่ดีเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวไม่นิ่งเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวไม่นิ่งอ่ะเพราะนั้นก็ต่อไปเนี่ยมันการปฏิบัติธรรมก็อยู่ปกติธรรมดาสังขารก็ทํางานไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมถึงแม้ว่าตัวเราไม่มีแต่ขัน้ามันมีถูกไหมขาน้าก็ยังทํางานเหมือนเดิมเพราะมันทํางานเหมือนเดิมตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อตัวเราก็ไม่มีตั้งแต่เกิดเพียงแค่เราเข้าใจผิดนึกว่าร่างกายจิตใจเป็นเราไงแต่ที่จริงอ่ะมันไม่เป็นเราตั้งแต่แรกแต่่ททํํําาาาาาไไไไไไมกินนนนนข้้้้้้วดดดดอบปง ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะถึงไม่ยึดถือขันห้าไม่ไม่ยึดถือเป็นขันห้าหรือเราไม่ได้เป็นขันห้าแล้วเห็นมันทํางานได้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ทํางานต่อไปเพียงแค่ไอ้ตัวโง่าหายไปแค่นั้นแหละไอ้ตัวความไม่รู้หายไปก็เหลือแต่ขันห้าเพียวๆเลยขันห้าก็สังขาตรตกแต่งไอ้รู้ก็มีอยู่แล้วขันห้าทําอะไรจะเดินจะนั่งจะนอนจะหิวไอรกก้รู้มันก็รู้ตามติดตลอดลนะเนาะเออก็อยู่กันอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็อยู่เหมือนเดิม จะเจ็บก็รู้เหมือนเดิมจะร้อนก็หิวเหมือนเดิมจะจะรู้เหมือนเดิมจะป่วยก็รู้เหมือนเดิมแต่ที่มันฉลาดขึ้นก็คือว่าแยกแยะเป็นว่าอะไรคือสังขารไม่เที่ยงอะไรคือไม่ใช่สังขารแล้วทําไมสภาวะที่ไม่มีถึงได้อ่ารู้ในอยู่ในเป็นแบบสังขารของแต่ละบุคคลไปทําไมถึงเป็นอย่างนั้ อะไรนะสาภาวะอะไรนะสาภาวะที่ไม่มีก็เหมือนกับว่าทําไมใจคนนี้ถึงอยู่กับสังขารคนนี้ทํำไมถึงอยู่กับสังขารคนนี้คือสาภาวะที่ไม่มีอนี่ยนะเออจะอธิบายแบบนี้ต้องเท้าความและวเท้าความก็คือว่าเราฟังซ้ำกันแล้วกันนะว่าขันห้าเนี่ยที่เกิดมาได้เนี่ยเกิดจากไข่กับสเปิร์มมาผสมกันพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ผสมพันธุ์เนี่ยจริงๆอ่ะสายเนี่ยจิตนี้ก็ไม่มีตั้งแต่แรกถูกไหม อพอพ่อแม่เนี่ยผสมพันธุ์กันเนี่ยใครเขาจเพิ่มเขาเรียกว่าธาตุดินกับธาตุน้ําผสมกันสองธาตุเองพอผสมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นสองธาตุนี้ผสมกันแต่เนื่องจากว่าแม่เนี่ยต้องกินนู่นกินนี่ก็คือเป็นธรรมชาติได้ต้องกินอาหารนะกินชักเพืชชักสัตว์นะนะกินทุกสิ่งทุกอย่างไอ้สิ่งที่กินไปเหล่านี้มันก็จะไปปรุงแต่งต่อกับสิ่งที่มีสองสิ่งนี้คือธาตุดินกับธาตุน้ําไปปรุงแต่งต่อถ้าให้เกิดมี ธาตุไฟกับธาตุลมเข้ามาผสมอีกนี่เป็นสี่ธาตุแล้วพอเป็นสี่ธาตุก็คือได้กายมาถูกไหมกายอย่างเดียวนะวิญญาณยังไม่มาผสมพอวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นธาตุอีกเป็นธาตุที่5้าเขาเรียกว่ compte, an, an, าวิญญาณวิญญาณนธาตุเอาทีนี้พอมาสี่ธาตุดินน้ำไฟลมได้มาเป็นธาตุตอนนี้ยังไม่ได้เป็นชีวิตยังรับรู้อะไรไม่ได้คือยังไม่รู้อะไรเลยยังเป็นก้อนอิด ก, ก้อนหินอยู่เลยนะอ่าไม่รับรู้อะไร แต่พ่อแม่ก็ยังกินซากพืชซากสัต์ต่อไปเรื่อยๆๆพิงแต่งไปจนกระทั่งให้มีเหตุอย่างนี้ทําให้เกิดผลอย่างนั้นพอเป็นผลอย่างนั้นเสร็จแล้วต่อมาวิญญาณวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่เขาเรียกว่าเจือไปด้วยกิเลสตัณหามาผสมกับดินน้ําไฟลมถูกไหมก็เป็นห้าขันและดินน้ําไฟลมและ ว, วิญญาณธาตุแต่อวิญญาณธาตุที่มาผสมเนี่ยเขาเรียกว่ายัางเป็นยังไม่เป็นธาตุยังไม่เป็นธาตุที่บริสุทธิ ยังไม่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ยังเจือไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นถูกไหม <S <S เออยังผสมผสานกับการยึดมั่นถือมั่นจึงเข้ามายึดเข้ามาเกาะกับดินน้ําไฟลมแล้วก่อต่อมาโง่ต่ออีกก็มายึดดินน้ําไฟลมมาเป็นของของฉันเห็นไหมมันเริ่มผสมแล้วเพราะฉะนั้นไอ้วิญญาณที่มาตอนแรกเนี่ยมันมาธาตรู้มาด้วยธาตรู้ที่ว่าเป็นภาคุว่างเป็นธาตุที่ไม่มีเนี่ยอ่ะ แต่มันผสมผสานกันมาก็เลยกลายเป็นขันห้าพอเป็นขันห้าก็คือเขาเรียกว่าโอ้ได้ยินเสียงไดจมูกได้กินก็เหมือนกับทุกวันนี้นะมีอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดมีความทุกข์มีความสุขได้บริบูรณ์แต่ในนี้เมื่อศึกษาถ้าไม่ถึงว่าไม่ศึกษาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปอาการทางจิตความทุกข์ความสุขดับไปปับ๊บมันยังมีกิเลส ต, ตัณหาเต็มก็เลย ทำให้เกิดพบชาติขึ้นมาอีกก็คือไปหาร่างใหม่ขึ้นมาอย่างไงก็ต้องไปหาร่างใหม่ถูกไหมแต่ถ้าไม่หาร่างใหม่ถ้าไปติดภพของพรหมใช่ไหมไปพอใจในความว่างเนี่ยพี่ว่าเนี่ยว่างว่างเนี่ยฟอกายนี้ตายไปปับ๊บมันก็เกิดเป็นพรหมไม่รู้กี่นานแต่สุดท้ายก็สังขารไม่เที่ยงอีกก็เกิดมาเป็นสัตว์หรืออาจจะเป็นมนุษย์อีกแต่สุดท้ายก็ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ยังมีกิเลสก็ยึดเรื่อยไปพอตายแล้วก็ยึดแล้วก็ไปหาร่างใหม่เรื่อยไปอ่ะ แต่พินี้ถ้าเราเข้าใจความธรรมะของพระพุทธเจ้าในชาติเนี้ยชาตินี้เข้าใจแล้วว่าที่แท้เนี่ยตายก็ไม่ใช่เราฝ่ายนามมาทำทั้งหมดทั้งรูปเวทนาสัญญาเอ้ยทั้งเวทนาสัญญาสัางสารยนต์อย่างไม่ใช่เราจนกระทั่งว่าไม่มีจิตข้องแวะที่จะยึดอีกแล้วก็เหลือแต่รู้ที่ไม่มีตัวตรงเนี้ยไม่ยึดถือไม่มีกิเลสตัณหาปล่อยวางได้หมดถูกไหมเมื่อตายดับจิตดับหมายถึงว่าความคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆดับจึงเหลือแต่ธาตุบริสุทธ์ ที่ว่าวิญญาณธาตุเนี่ยธาตุนี้ยจึงเป็นหนึ่งเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่หนูถามอ่ะก็คือมันก็มีอยู่มาพร้อมกับวิญญาณที่ว่ามันมาผสมกับดินน้ําไฟลมแล้วมาอยู่ในนี้เออเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายนี้แตกแบบทุกอย่างก็แตกสลายหมดก็เหลือแต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์ไม่ยึดถืออะไรก็ว่างเปล่าเป็นความว่างสูง อ, อสุญญาตาธรรมคือเป็นนิพพานไปเลย ก็จวกันได้เลยเพราะฉะนั้นในร่างกายนี่แหละมันมีธาตุรู้ในเนี้ยในเนี้้าไม่มีมันจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าว่าร้อนว่าหิวว่าหนาวว่าโน่ น, นว่านี่มันรู้หมดโอเโ้เรเข้ามาเ้ามาธาตุรู้นั่นี่ไงธรรมะสูงสุดยอดก็หมายถึงว่าให้พบสัจธรรมความจริงที่ไม่เกิดไม่ตายซึ่งมีอยู่แล้วนั่นคือใจหรือธาตุรู้หรือพุท ธ, ธพุท ธ, ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานตื่นแล้ว ไม่หลงอีกแล้วไม่หลงยึดอีกแล้วเนี่ยดูนูดิแกเข้าใจธรรมะอย่างลึกขึ้นนี่เขาเรียกว่าน้ําตาล้างอาวิชชาเลยอ่ะล้างเลยนี่คนลุกคนพองไปด้วยเพราคนนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะแบบนะเข้าใจอย่างนี้จะไม่หลงยึดเลยเพราะว่ามันรู้เท่าทันหมดแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะสติไม่ต้องตามรูปแบบหรอกมันนึกได้เลยว่าเอ้าหลงยึดแล้วเอ้ามันงู้นอย่างนี้ มันก็เป็นสติอัตโนมัติเป็นสติปัญญาไปเลยอะ่ะใช่ไหมมันไม่มีรูปแบบแล้วเนี่ยคันเนี้ยแต่ทํารูปแบบก็ไม่ว่าก็ทําอย่างที่เราบอกโยมว่าก็แค่ยกเฉยๆและยกไปมันก็รู้ไปใช่ไหมแล้วความคิดเกิดขึ้นก็เห็นความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกข์สุขก็มีแต่รู้แต่เห็นแต่ไม่เข้าไปยึดแล้วไม่ต้องอยากได้อะไรอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราเห็นปลายทางถึงที่สุดแล้วว่าความอยากคือตัณหาไม่ใช่หนทางเลงนิพพานเพราะนั้นหมดอยากแต่ก็ได้แต่รู้ไง ได้แต่รู้ตามความเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเจ็บปวดขึ้นก็รู้ไปจะร้อนจะหนาวจะป่วยก็มีแต่รู้ไปรู้ไม่ยึดไอรู้ไม่ยึดนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นใจที่หลุดพ้นรู้ที่ไม่ยึดเป็นใจที่หลุดพ้นถ้ารู้แล้วยึดเขาเรียกว่ายัางเป็นวิญ ญ, ญาณนขันต้องหาต้องมีภพชาติเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดใหม่เพราะนั้นถึงสักแต่รู้สักแต่รู้นี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะขั้นสูงที่ได้แต่รู้คือสิ้นยึด ได้สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ได้ยินเห็นแล้วก็สักแต่เห็นได้กลิ่นก็สักแต่รู้กลิ่นอะไรเกิดขึ้นในจิตใจใ จ, ใจก็ได้สักใจรู้เพราะผู้รู้ไม่มีมีแต่รู้ที่เป็นธรรมชาติที่ใจรู้เพราะฉะนั้นที่คําว่ารู้ด้วยใจอ่ะมันเป็นคําลึกซึ้งมากแต่คนอ่ะไม่รู้จักใจดันเป็นว่าเราเป็นใจเสียหมดแต่จริงอ่ะเราไม่มีมีแต่ใจเดียวซึ่งมันมีอยู่แล้วรู้ได้อยู่แล้ว ซ, ซื่อเลยอ่ะพี่พระอาจารย์ไปสารพูดถึงอาจารย์พุทธทาสทิปเอาอะไรนะไปเอาค้อนไปตอกนิ้วอ่ะผัสสะแรกอ่ะที่เกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นน่ะตรงนั้นเรามีการเกิดแล้วเกิดก็คือเกิดแห่งความเจ็บเกิดแห่งผัสสะแต่อะไรไปรู้ผัสสะห่ะถ้าไม่ใช่ใจอ่ะถูกไหมใจเนี่ยคือมันไม่ใช่ผัสสะอ่ะใจอแต่เป็นสิ่งที่รู้การกระทบก็คือความรู้สึกแต่ความรู้สึกยังเป็นเกิดดับอยู่ แต่ใจอ่ะไม่เกิดไม่ดับจึงได้แต่รู้พิสูจน์ได้เช่นเอาเดิมไม่เจ็บพอเจ็บเกิดขึ้นปั๊บเกิดแล้วแต่ใจอ่ะมันไม่เคยเกิดมาตั้งแต่แรกไอตอนไม่เจ็บมันก็ยังรู้เมื่อเจ็บแล้วมันก็ยังรู้ต่อเมื่อเจ็บดับไปความรู้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความรู้ไม่ได้หายไปไหนความรู้ไม่ได้หายไปกับความเจ็บเลยแต่ความเจ็บต่างหากที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นิดหน่แล้วก็ดับไป แต่รู้เนี่ยมันรู้มาตั้งแต่ก่อนเจ็บแล้วเมื่อเจ็บก็รู้ก็ยังอยู่เมื่อหายเจ็บแล้วรู้ก็ยังอยู่รู้จึงไม่ได้เกิดไม่ได้ดับแต่เป็นอมะตะที่รู้อยู่ตลอดไปอ่อสาสงฆ์ใจอะไรไหมรู้แล้วไม่ยึดถือนี่แหละสักแต่รู้แล้วไม่ต้องให้เราเป็นผู้สักแต่รู้เพราะถ้าให้เราเป็นสักแต่รู้กายเป็นมีเรามันจะรู้อย่างธรรมชาติมันสักแต่รู้อยู่แล้ว ใช่อยู่อยู่ได้ยินเสียงป้องขึ้นมาก็ได้ยินแล้วจบในการของการได้ยินได้ยินใหม่ก็ได้ยินใหม่เอาจบมันจบอยู่ในตัวจบเป็นขณะขณะขะจะตีอันนี้ให้ฟังอีกเอาวนมาเรื่องเสียงนี่เสียงยังไม่ดังเสียงอื่นไม่สนใจสนใจอย่างนี้อย่างเดียวเสียงนี้ยังไม่ดังรู้ได้ไหมว่ายังไม่ดังเห็นไมรู้มีอยู่แล้วเสียงไม่ดังก็รู้พอเสียงดัง ก็รู้อีกแล้วเสียงดับไปแล้วรู้ก็ยังอยู่ว่าเสียงดับแต่รู้ไม่ได้ดับด้วยไงถ้ามันดับมันรู้ได้ไงว่าเสียงดับเพราะนั้นรู้นี่ถึงไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะอยู่แล้วแล้วรู้เนี่ยโยมดูดิโยมไม่ต้องตั้งว่าเป็นเรารู้เลยอะมันรู้เองรู้เองรู้เท่าไหร่มันก็รู้รู้ทันไหมป้อป๊อกมันรู้เด็วขนาดนั้นอะป๊อกปแล้วมีช่องว่างด้วยเห็นไมล่ะมีช่องว่างอะ ไม่ต้องออกแรงรู้เลยแล้วไปทําให้ดับไหมเสียงไม่สิ่งใดยังจินจิสมุทยะธรมังสับปันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นื่องดับไปเป็นธรรมดาเสียงเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อมีการเกิดเสียงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเสียงเนี้ก็ดับไปเป็นธรรมดามันดับอยู่แล้วไม่ต้องมีใครไปดับ อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในจิตมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเองเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นกา cheating, ปรปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปเร่งให้มันดับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยให้ต้องเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรไไ อ, อือเนี่ยดับเองเสียงก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งกายนี่ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียงที่หนูกําลังมีเนี่ยที่กําลังความรู้สึกอย่างนี้อย่างเนี้ย ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสุดท้ายมันก็หายไปก็เข้าสู่ปนป ก, กติแล้วมันก็เกิดใหม่ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดอีกแล้วแล้วก็ดับไปมันวนๆอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมล่ะไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมันมีแต่ธรรมชาติมีแต่ที่มันเป็นเองรู้เองเป็นก็เป็นเองรู้ก็รู้เอง